ที่สารแห่งชนบุรีระหว่างที่นึกพุทโธพุทโธพุทโตพุโธนี้ไม่ว่ามันจะมีสภาวะใดๆมีความคิดใดๆมีอารมณ์ใดๆมีอาการใดๆมีปฏิกิริยาใดๆแสกแสงขึ้นมาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็น น, น, นี่มีอะไรต่างๆอย่าไปสนใจให้รู้ตัวรู้เตัวตันอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจ ให้บริการพุทโธเรื่อยไปไม่ว่าจะมีอะไรแจกแจงขึ้นมาอย่าไปสนใจมีสภาวะอาการทางกายอย่างไรมีอาการทางใจอะไรอย่าไปสนใจละไปละไปอย่าไปสนใจรู้แล้วละไปรูๆๆ้แล้วละไปอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้บริการพุทโธเรื่อยไปแล้วว่ารู้อะไรรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็รู้แล้วละไปอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเดียวต้งหมดเหลือแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวมันมีความคิด มีอารมณ์อะไรแทรกเข้ามาระหว่างที่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั้นจะเป็นมุดิตนความคิดแลอารมณ์เหล่านั้นอย่าพยายามไปทําให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นหายไปเพียงแค่เรารู้เท่าทันความคิดแลอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธให้มีสติมารู้อยู่กับบริกรรมพุทโธเรื่อยไปเดีก็มีความคิดและมีอารมณ์แทรกมาเรื่อยไปตลอดตลอดระยะเวลาเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้แทรกซ้อนระหว่างที่บริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆ เราก็จะไปไงุหงงกับความคิดและล้มเหล่านั้นและพยายามอย่าไปทําให้ความคิดละล้มเหล่านั้นจะต้องไม่เกิดข mm hmm. ึ้นหรือว่าจะต้องไม่มีเลยหรือว่าจะต้องหายไปเด็ดขาดถ้าพยายามไปทําให้ความคิดละล้มเหล่านั้นหายไปเด็ดขาดไม่มีเกิดขึ้นใหม่เลยหรือไปหงุดหงิงกับความคิดละล้มเหล่านั้นมันจะทําให้การปฏิบัติมันตลดออกไปนอกทางเรื่อยก็คือไปหลงพลเขากลับไปทางเดินเก่าก็จะมีความหงุนงงไปมีความหงุดนงงทงท่าลาคาใจ เรียกว่าเป็นการปฏิบัติด้วยความยึดถือพระเจ้คิดก็จะมียลงกระจ้างเขาเราจะติดไปเราอย่าอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาพระเจ้คิดก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็อย่าอย่าติดไปอย่าไปวุ่นวายเขาเพียงแค่รู้เท่าทันแล้วไม่ติดไปกับเขาแล้วก็กลับแล้วก็กลับมาบริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปเดี๋ยวเาก็คิดใหม่มีลมใหม่อีกแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดไปลำคางกับความคิดเราลมเหล่านั้นแล้วเราก็รู้ตัวรู้เท่าทันความคิดเราลมเหล่านั้นแล้วเรากลับกลับมาบริกรรมพุทโธธพุโขอองเรราื่ยไป อย่าไปงุนงิดกับความคิดอารมณ์ใดๆทั้งหลายแล้วอย่าไปทับอย่าพยายามทําให้ความคิดอารมณ์ทั้งหลายหายไปหรือทําให้ไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าพยายามแบบนั้นจะยิ่งเครียดและยิง่งงุนงิดมากๆในการปฏิบัติสียงแก่เรารู้ตัวรู้ทันความคิดอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราก็ไม่ติดไปกับความคิดอารมณ์เหล่านั้นไม่กลับไปงุหงิดความคิดอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับคิดสุโผไว้คนไหนทําไปง่งงวงโงก์มุนเ ค, บเคบิบเคิมหัวสะงพงกก๊อกก๊อกก์ ให้บริการพุโทโธให้กีทเมื่อขึ่นคนแล้วก็มีสติรู้ตัวไว้ว่ากำลังบริกรรมพุทโธอยู่ปล่อยกายปล่อยใจให้ผ่อนคลายสุดๆอย่าเกง่งอย่ากดอย่าขมอย่ามีความพยายามบีบขั้นใดๆ ใ, ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ทุันตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตใจให้เพลินไหลเพินคิดไปเนี่ยลมไปจนไม่รู้ตัว หรือไม่ก็้าไปหนุดหงิดรำคาญความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็้าไปหนุดหงิดรำคาญอาการต่างๆต่างกายแลอทางใจที่เกิดขึ้นรรเราก็พุทโธหลงเราเรื่อยไปสัตว์วรู้ความรู้สึกความนึกความคิดอารมณ์หรืออาการต่างๆทางกายและทางใจอยู่ที่เฉยคาว่าสัตววรู้ก็คือว่าไม่ไม่ไหลเพลินใจนั่งคิดเติดเธอเจริญัจจัยไปโดยไม่ในในในรู้ตัว หรือกข้ไปงุนหิดดิ้นรนผับใสความคิดเรืองอารมณ์ต่างๆเรืออาการต่างๆหรือพยายามไปทําให้ความคิดต่างๆเรืองอารมณ์ต่างๆเรื่องอาการต่างๆมันดับหายขาดไปไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้ตั้งอยู่ไม่อยากให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดไปเพลินใจติดไปกับสิ่งนั้นไม่รู้ตัวรู้ต่าทันเดี๋ยวเข้าไปงุนหงิดําคาใจกับสิ่งใดแล้วก็พุทโธของเราเลยไป ต้องไม่เข้าไปติดใจยินดีถ้าไม่เข้าไปฝักใส่ดิ้นรล่นฝับไม่เข้าไปดิ้นหลนฝักใส่ไม่ติดใจยินดีไม่เพลิดเพลินจเจริญใจติดไปกับสิ่งใดเพียงแค่ไม่มีสติสัจปจปัญญารู้ตัวรู้เท่าทันความรู้สึกนึกิดอารมณ์อาการทางกายอา ก, การทางใจนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เพลิเพลินไม่เพลอใจไหลติดไปเพลินใจติจจจดไปกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่เข้าไปดิ้นรล่นฝักใส หรือไม่เข้าไปพยายามทําให้ความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นหรืออาการเหล่านั้นทั้งกายและใจเขาดับหายขาดไปหรือพยายามไม่พยายามไปทําให้ไม่มีเลยรู้ตัวรู้ตัวสันแล้วปล่อยวางละวางไปจัดใจละวางไปทางใจไม่ใจเข้าไปคล้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวยึดถือตัวผัดลาซีของเราเข้าพุโทโธเลื่อนไปพุโทโธทีทีทีทีทว่ามันจะได้ไม่ห่วงหุนเกิดเพิ่มซึมซึมเศร้าๆหงอยเ ง, งาเงา ให้จิตใจมันอิ่มสดชื่นตื่นเบิกบานแจ่มใสไม่ทำนนาน้าหนิยวคิ้วสมวดยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานภายในใจพุโทโธเลื่อยไปให้ผ่อนคลายท้งกายและใจบางคนนั่งหลับขาดสติไปเลยให้มีสติตับปัญญารู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธภายในใจ ใหต่อเนื่องไม่ขาสายบริการพุทโธทีทีไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้พุทข mm ึ hmm. ้นมาคิดพุทโธขึ้นมาทีทีไรมีสติสัมมาัาญย์รู้ตัวตลอดเวลาว่ายังบริการพุทโธอยู่นะไม่ได้เผลอคำบริกรรหายไปแล้วหรือเผลอคิดเพลินเจริญใจไปนั่งหลับฝันไปให้คิดคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้บริการคำว่าพุทโธไว้ในใจที่ีหรือคิดคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีทีไว้ีท่าใดสงสัย นีะนี่ใครสงสัยเลยนะเจ้ารย์ผมไม่อยากใหรเจา้าอย์ทเองขอท่านที่จให้คิดว่าใครเห็รู้จัาเป็นมาแค่ออกไปตั้ง่สยมอารที่เรากนก็ไม่ถึงว่าหลงไปตามนิมิตนีครเามีว่าองค์หนึ่งปฏิบัติอยู่นั่งปฏิบัติอยู่แล้วก็เห็นพุทธเจ้ามาขวับมือเรียก ก็ดีใจมากเลยว่าการปฏิบัติของเราถึงท่านที่สุดยอดแล้วมีพุทธเจ้ามาเรียกบอกมือเรียกว่าให้ตามมาได้แล้วก็ลุกวิ่งตามไปแล้วก็ไปสะดุดไอ้ที่ที่เขากัก้นประตูไว้หัวก็ทิ่มลงมาเลยฟาด พ, พื้นปูนล่างคือเป็นของที่เป็นภาพมาลวงให้มายาลวงแล้วก็หลงไปตามมายานั้นครับแล้วก็หลงไปตามนิมิตต่างๆส่วนใหญ่คือไม่หลงไปตามนิมิตเหล่านั้นครับ เราการทำงานี่แบบนี้ไม่ได้ถูกัดที่ต้องมีอาจารย์ผ่าการปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านเคยผ่านทางมาแล้วเป็นคนคอยชี้แนะคอยบอกเพราะว่าบางทีปฏิบัติไปนิสัยคนมันชอบจะมีนิสัยที่เรียกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองกันไปแปลกๆต่างๆเมื่อมีนิสัยพื้นฐานจิตใต้สำนึกเดิมเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลอง มันก็เลยปรุงแต่งไปตามที่ตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองปรุงแต่งไปเช่นเช่นปรุงแต่งไปว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตรัสศินเป็นพนะระนเรศวรมหาลาชนี่ก็มีหรือสร้างตัวเองเป็นพระพรมพระอินทร์พระอีสวรเป็นราชการที่ห้าก็มี เพื่อต้องให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามากราบตัวเองให้คนอื่นมากราบตัวเองสร้างตัวเองให้เด่นให้เหนือคนอื่นก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วจิตใต้สำนึกมันก็สร้างออกมาเป็นผีเป็นเปรตเป็นรูปนาศต่างๆมีอาการกลัวเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีความหลงไปตามสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นนิมิตปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะหลงไปตามนั้น วิธีที่จะไม่หลงไปตามนั้นก็คือรู้อะไรแล้วล่ให้เร็วรู้ตัวให้เร็วล่ให้เร็วอย่าติดไปกับสิ่งนั้นมันจะติดไปกับสิ่งนั้นต้องรู้ตัวให้เร็วล่ให้เร็วแล้วก็ตึงมันกับคําบริการพุทโธไวตึงกัคําบริการพุทโธไว้แล้วถ้าสมมุติว่ามันทําตาจะหลงไปรจริงจิงก็ลืมตาเส้นลูกกุทําอะไรเส้นไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ไม่หลงตามไปครับบางทีก็มางคนคเขาชอบกับเล่นสีเล่นเล่นเสียงเล่นแสงทําสีนั้นสีนี้เห็นแสงประว่างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ หลงไปกับสีกับแสงกับเสียงอะไรต่างๆพู้ทีท่หลงอย่างเพศนี้ก็เยอะครับเพราะว่าต่วนี้ก็อยากเก่งอยักเด่นอยากด่งอยากเนียอสิญยาต่างๆเวล่วเราถามผมก็ถามเป็นเรื่องเอาสินยาหยักเดียวตัวนี้ก็มีอาการที่ลักษณะที่จะคอยเกิดนิมิตในทางที่หลงได้มากครับเราก็รู้อะไรแล้วละให้ไปอย่าเข้าไปสนใจให้ค่ายความสําคัญรู้อะไรแล้วอย่าเข้าไปสนใจให้ค่ายความสําคัญรีบละให้เร็วละความสนใจละความให้ค่ายความสําคัญไปจัดใจแล้วก็ ปล่อยวางไปสัพตะลูแล้วพระพ os, alors, ุทธรูปโพุโทธรพุทธรพุทธรเลือไปอย่างนี้ก็จะปลอดภัยนะมีท่านใดสงสัยอี้หายว่ารต้องไปูแ ah, ก้วะมีลูกแกว้วมีพระพุทธ ร, รูปไมเ้เพ่งเพ่งขึ้ไปแล้วก็สร้างนิมิต ส, สร้างนิมิตนะก็สร้างเป็นนิมิตไว้นสร้นิมิตไม่ให้จิ ong, ตุ่งแสงงสร้างไปใ น, ใ น, ในประการอาื่นๆไอ้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องล่อจิตอย่างหนึ่งเหมือนคาบริการพุทธนั่นแหละแต่แ่ละมันก็ยึดไอ้ตัวนั้นไปเลย ตลาดมันกลายเป็นเรื่องอื่ น, อนแอบแฝงไปหมดไม่จากกันจะหมดเนื้อหมดตัวมากมายกลายเป็นใครทําบุญมากทจะกลายจะบรรลุแล้วยิ่งทามากเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้จะบรรลุมากเข้า ไ, ไปเรื่อยๆมันต้องปฏิบัติให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากใจถ้ามีเกลียดตัณหากรร ม, มาตัณหาราภกํ า, าเริกอยู่บ่อยๆก็มหมั่นพิจารณาสุภกรรมฐานความน่าเบื่อผูกฟังความตายความสิ้นไปเสื่อมไปมีแต่ความสิ้นไปดับไป เป็นคิดเท่าทุรีไปสฏิสตุปไม่มีอะไรเหลือจะเป็นคนที่ขี้ว่าคนอื่นต้องนิยติเตียนคนอื่นเพ่งโทษผู้อื่นเป็นคนที่อาคาบพยาบ า, า, าคทคาาบแกนพระเจ้าก็ตัดว่าให้มันให้มันแผ่เมตตามันมีเมตตาปรุณามุติญาอุเบขาคือมันนึกถึงผู้อื่นนีเ ก, ก็ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีสุขกว่าเรา เราปรารถนาที่จะได้ดีมีสุขมีรถมีรถใหญ่มีรถดีๆมีบ้านใหญ่ๆหญ่มีเนื้อสวยสมีสามีหล่อหอมีลูกดีดีมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆมีที่ดินเยอะๆมีสมบัติเยอะๆอยากได้บักผลนิพพานเราอยากได้อะไรเยอะๆเราก็นึกถึงให้คนอื่นมีเยอะๆกว่าเราเราอยากได้ขนาดนี้ให้คนอื่นมากกว่าเราหลายร้อยเท่าให้ทุกคนเลยมีมากกว่าเราให้หมด ให้ก็มีมากให้หมดอยากเขามีมากจริงๆนึกๆไม่หม่ๆก็เป็นแค่แคิดนานาน ๆ, ๆ, ๆเข้าไปบ่อยๆเลยเขา้าดีๆเข้าดีสุดแล้วมันเป็นจักใจศาสนาอยากให้คนอื่นได้ดีมีสุขทั้งหมดเลยเราอยากไม่แค่นี้อยากได้มื่นบาทก็อยากคนอื่นเขมีล้านบาทเราอยากมีล้านบาทให้คนอื่นเขมีสิบสิบล้านร้อยล้านใจเราก็จะสิ้นจากความอิจฉาริษยาผู้อื่นเพ่งโทษผู้อื่นควาตรงนี้มันตรงกันข้ามนี่พทธเจ้าตรัสว่า มันเป็นเหมือนกับสารเคมีดับดับไฟที่ไหม้นั้นโดยตรงถ้านับไปมันติดน้ำมันแล้วน้ำไปฉีดเนี่ยน้ำมันก็ลอยน้ำพาไหม้ไปทั่วมันก็ต้องเอาเอาอะไรโฟรมมาฉีดพุ่ง ก, ก็ดับไ ป, ปสารเคมีที่ตรงกันอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดต้มาละคนไหนมีกิเลสตะนะัณหาราคะกำเริบหนักๆ ก, ก็ให้พิจารณามันที่านณาสุภาพต่พางความน่าเบื่อูกพันความสกกับกของร่างกายทัย้ในร่างกายทังผู้หญิงผู้ชายมีแต่ขี้จะไม่หมด มีตะขี่มีตะตะสวาะ่าเหม็นอุจจาระตัวเองเหม็นหมดเหม็นเหม็นหมดเวลาพอรักให้ตายพอเขาเขาขี่ออกมาไปเช็ดเขาก็ไม่ได้เช็ดให้เขายังไม่กล้าเช็ดแลยเป็นเห็นหมดของตัวเองยังไม่กล้ามือจับของตัวเองเลยเแล้ะนั้นหมั่นพิจารณาให้บ่อยๆที่เลตนาลาค้ากำเริ่มก็จะเ บ, บาบางลงไปเนี่ยุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ถ้าสิ่งคนที่เส่งโทษคนอื่นไม่เมตตา ต, ต่อผู้อื่นซึ่งคือมองมองแบบแง่ในดีของอื่นกำเนิดตีเตียงคนอื่นจาเจียาซื่อนก็มันมันเมตตามันแผงเมตตามันให้อภัย เนี่ยแล้วก็คนไหนที่จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบเหม่อเผอใจลอยที่น้อยเนื้อต่ําใจคิดมากอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ตัดว่าให้จิตใจมันอยู่กับเครื่องล่อให้ทีทีเป็นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับอนนาปานนสติให้ลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกให้มันทีทีทีทีทั้งวันทั้งคืนมันก็สิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเนี่ยครับคนที่ขี้หลงพวกที่ เป็นคนที่เชื่อคนง่ายหลงใครใครบอกอะไรก็เชื่อแล้วก็ทําตามเข้าไปโดยหลงมงมงายก็มันมีปัญญามีสติปัญญาฟังหลักคําคําสอนจากผู้รู้ไปเรื่อยว่าเราำดดตำรวจตรวจัวดดเองตรวจตรวจ ด, ดูตดัวของตัวเองว่ากิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งหลายมันลดน้อยถอยลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ลดลงไปเรื่อยนี่คือการปฏิบัติดีขึ้นเรื่อยๆตามหลักตามหลักทำคำสอนพระเจ้าว่าจะปฏิบัติไปยิ่งเก่งไปยิ่งคุยเรื่องเก่งเรื่องโม่เรื่อง เหนือคนอื่นเก่งกว่คนอื่นรู้นั่นรู้นี่เห็นนั่นเห็นนี่อันนี้ก็เสิปรปลดออกนอกทางไปเลยแล้ว